โซดาปฏิยังค้าสีที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลโซดาบัณ น, นี้ท่านแสดงไว้อีกชุดหนึ่งสามข้อแรกเหมือนกับชุดที่แสดงมาแล้วเปลี่ยนแต่ข้อที่สคือศีลเป็นจาคะดังนี้อริยาสาวกประกอบด้วยธรรมาสีประการเหล่านี้ย่อมเป็นโซดาบันฑคือเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นด้วยปัญญา ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่กรองเรือนด้วยใจปราศจากมนทินคือมัจฉัริยะมีจาคะยังเปิดใจมือสะอาดยินดีในการสละใส่ใจในคำร้องขอยินดีในการให้การแบ่งปันและมีข้อความเสริมซึ่งอาจใช้แทนข้อความข้างต้นนั้นได้ว่าสิ่งของที่ควรจะให้ได้ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด เท่าที่มีในสกุลอริยาสาวกนั้นเฉลี่ยแบ่งปันกับคนมีศีลมีกัลยาณธรรมได้ทั้งหมดสรุปคุณสมบัติทั้งหมดเท่าที่แสดงมารวมอยู่ในศรัทธาศีลสุตตจาคะและปัญญาดังนั้นจึงมีพุทธพจน์ตรัสแนะนำอยู่เสมอให้อริยาสาวก และอริยาสาวิกาสร้างเสริมธรรมะห้าประการนี้และใช้ธรรมะเหล่านี้เป็นหลักวัดความเจริญของอริยาสาวกทั้งนี้มิใช่เฉพาะอริยาสาวกและอริยาสาวิกาที่เป็นโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นแม้ผู้ที่เป็นปุตตุชนที่จะก้าวหน้าไปเป็นอริยชนก็ได้รับคาแนะนาและใช้หลักวัดอย่างเดียวกันดังพุทธพจน์ว่า ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกเจริญด้วยความจเจริญห้าประการชื่อว่าจเจริญด้วยอริยวัตรเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือจเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาผู้ใดจเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับทั้งสุตตะจาคะและปัญญาผู้เช่นนั้น นับเป็นสัตบุรุษผู้ปรีชายอมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้แก่ตนได้ภิกษุทั้งหลายอริยาสาวิกาเจริญด้วยความเจริญห้าประการชื่อว่าเจริญด้วยอริยวัตรเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศรัทธาศีล ส, สุตตะจาคะปัญญา สตรีใดจเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับทั้งสุตตะจาคะและปัญญาสตรีเช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลยอมถือเอาสาร้าในโลกนี้ไว้แกต่ตนได้คำว่าอริยวัตแปลงจากบาลีเดิมว่าอริยวัตทีจะเรียกว่าอริยวัตหรือจะแปลงเป็นอริยวัต หรืออริยวุตเป็นต้นก็ได้ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาเธอมีความคิดว่าถ้ากระไรโดยทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไปเราพึงประจักษ์แจ้งแล้วเข้าถึงด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันนี้ทีเดียว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 ผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างนี้หากปราธถนาจะไปเกิดในสวรรค์หรือพรหมภพชั้นใดก็สำเร็จได้ทั้งสิน้นถึงจะยังไม่บรรลุเองเพียงรำลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของท่านผู้อื่นก็ทำให้สุขสบายใจและจูงใจตนให้มีกำลังใจปฏิบัติต่อไปดังบาลีว่า ภิกษุณีสดับข่าวว่าภิกษุณีชื่อนี้ถึงมรณภาพแล้วพระผู้มีพระภาคพยากรณ์เถอว่าดำรงแล้วในอัญยาคืออรหัตผลภิกษุณีผู้สดับข่าวได้เห็นเองหรือได้ยินต่อกันมาก็ตามว่าภระเคณีท่านนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้บ้างเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้บ้างมีวิหารธรรม คือคุณธรรมที่เป็นความประพฤติประจำตัวอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อรำลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของพคินีท่านนั้นอยู่ก็จะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นแม้โดยวิธีนี้ผาสุวิหารคือความอยู่สำราญก็จะมีแก่ภิกษุณีได้ สำหรับในสูตรนี้กล่าวครบหมดทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่สะดับข่าวของพระอรหันต์ลงมาจนถึงพระโสดาบันในที่นี้ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงความเสื่อมถอยในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายเราสรรเสริญแต่ความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สรรเสริญความคงอยู่กับที่ไม่สรรเสริญความเสื่อมถอยอย่างไรเป็นความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายไม่เป็นความคงที่ไม่เป็นความก้าวหน้าภ um ิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัทธา โดยศีลโดยสุตตะโดยจาคะโดยปัญญาโดยปฏิพันธ์ธรรมะเหล่านั้นของเธอไม่คงอยู่ไม่เจริญขึ้นนี้เราเรียกว่าความเสื่อมถอยในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความคงอยู่มิใช่ความเจริญก้าวหน้าอย่างไรเป็นความคงอยู่กับที่ในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัท ธ, ธาละถึงโดยปฏิพานธรรมะเหล่านั้นของเธอไม่ลดไม่เพิ่มอย่างไรเป็นความก้าวหน้าในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุมีคุณธรรมเท่าใดโดยศรัท ธ, ธาโดยศีลโดยสุตตะโดยจาคะโดยปัญญาโดยปฏิพานคุณธรรมเหล่านั้นของเธอ ไม่หยุดอยู่ไม่ลดลง